ทำอะไรต่ออะไรมากมายนะแต่ปล่อยใจให้เศร้าหมองนะหนักอกหนักใจรุ่มร้อนอิจฉาพยาบาทนะอันนั้นก็เรียกว่าเรากำลังละเลยหน้าที่ของเราละนะหน้าที่ต่อจิตใจรนะวมทั้งหน้าที่นะที่เป็นชาวพุทธนะนะต้องหมันทำบุญที่ใจตนด้วย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 แต่ประตูนี่มันเข้าออกได้ทนึงต้องมีทหารยามนะที่คอยเฝ้าไว้จิตใจเราก็เหมือนกับนครเหมือนกับเมืองนะที่มันมีประตูที่ศัตรูจะเข้าได้นะอ้ทวารทั้งหกนั่นแหละทะวารนี่ก็แปลนประตูทวารทั้งหกนั่นแหละนะคือจุดอ่อนหรือช่องว่างนะที่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 เอามาแขวนไว้ในป่าเผื่อว่าศึกหาราเพศไปก็จะได้มีเสื้อใส่ขั้นคิดจะศึกเนี่ยก็จะไปไปเข้าไปในป่าและพอมองเห็นเสื้อปลูกป่าที่ตัวเองใส่เนี่ยก็ระลึกได้ถึงความยากลำบากสมัยที่เป็นโยมเป็นคาราวะาไอความกระสันจะศึกก็หายไป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 อ้างว่าบรุษรมแล้วไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเรียกตัวมาถามท่านก็อธิบายว่าอธิบายอย่างที่เล่ามานี่แหละพุทธเจ้าก็เลยสรรเสริญนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยบุคคลเนี่ยต้องหมั่นเตือนตนด้วยตนต้องมีสติรักษาตนแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอัตเฮอตโนนาโธนะบุคคลเนี่ยต้องมีตนเป็นที่พึ่งน